พังทำกันเนาะหลังจากก็เราได้สาธยา่ยพอะไปสุดการคำสอนของพระพุทธจเจ้าเาด้ดง <c oughs> ออกไปทั้งกายทั้งใจเวลาสดาวดมนต์ธรรวัดบางบท ให้มีแนวร่วมหายใจเข้าหายใจออกบทยาวก็หายใจออกยาวเวลาสวดบทแต่ล้บ ท, ลบทจบลงไปก็มีโอกาสสูบลมเข้าเวลาสวดบทพระสวดก็ห่อยลมออกควอมกับเสียงมีสติร่วมไปด้วย ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนได้พัฒนาต่างด้านจิตใจและสุขภาพก็ตั้งใจดีๆบ่อยลมสม่ำเสมอลมเข้าลมออกปอดก็จะมีพลังฟอกเลือดลมไม่ดีขึ้นสุขภาพก็จะดีไม่น่าจะรังเกียดทำาวัด สวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นอากาศก็ดีดีบริสุทธิ์ที่นี่ก็ไม่จุดธูปไม่จุดเทียนไม่มีคาร้อนมนอ น, นอกซอยไม่เต่ออกซิเจนเป็นปาที่ผิดออกซิเจนให้เราได้สูดลมหายใจไม่มีคาร์บอนอะไรอยู่เถบนี้ แลาจะมีห้า้ยไล่นี้ไม่มีสารพิษีคมีปุอะไรต่างๆเป็นดินป่าไม้อากาศบาวคนที่จะหาโอกาสใส้ตัวเองบ้างยิ่งพวกเราในการนี้ในเวลานี้เป็นสัปดาหแห่งการปฏิบัติธรรม ในช่วงนม่แหลเอาเป็นลกษกามยามดีช่วงที่พูะเจ้าตรัสรู้เนีน่ยเราก็ทำกันมาทุกปีจัดบรแกรมจัดทคดเจดียทิดให้ผู้คนทั้งหลยายจะสนใจมาที่นี่ได้มีโอกาสปฏิบัติเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเราก็ได้สมผัสครบวงจร เอาคำสอนของพระเจ้ามาทำลงไปโดดลงไปเล่นลงไปจริงๆพระเจ้าขนขวายเจพวกเธอทั้งรลายโน่นเลื่อนว่างนั่นเลือนว่างนั้นป่าไม้นอนโขนไม้พวกเธอทั้งหลายจงไปมีสติมีความเพียรเผาจิเลดจวได้รอดใจในภายหลัง แล้วก็อยู่ป่าไมา้คนไม้แม้อยูุคติก็อยู่คนไ ม, ม้อยิ่งพวกที่วางเต้นปักเต้นตามลมไม้ที่หลานทำก็ยิ่งเต็มเนื้อเต็มตัวทุกรูปแบบแล้วก็เราก็มีความเพียรมีสติทำตามพุทธเจ้านั่งคู่แขนเขา้าหย่อนแขนออกมีสดติ ดูแลกายใจมีโอกาสเล็กกายใจของตนดยทุกวินาทีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจได้มีสติเข้าไปดูไปเห็นมีความเพียรได้ละความชั่วได้ทำความดีทำามดตให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไปเหมือนกับเราได้สวมเครื่องสรงของพระพุทธเจ้าอุ่นอกอุ่นใจ เมื่อสวงเครื่องทรงสถิประธานสี่ส ม, มประธานสอิธิบาทสีอะไรจม ด, ด้หรอปรตีักนะ <c oughs> นะก็อยู่ในนี้ทั้งหมดและนะเครื่องทรง ท, รงที่บเครื่องทรงก็อันเดียวก็ใส่ลงไปสวงลงไปมาจากไหนก็งามทั้งนั้น จะเป็นเพศใดวัยใดแล้วที่ได้ถ้าสวมเครื่องทรงเข้ากับ ง, งามเปิดศีนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาบรรดับตองไปเราได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เกิดศีนขึ้นมาได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ก็สศนขึ้นมาได้เปลี่ยนอะไรที่มันเกิดกัำกายกำจัยให้เป็นความรู้สึกตัวงามไปเรื่อยๆงามไปเรื่อย เราต้องถามใครนี่คือเาสามภัทตดูวางอย่างไม่มีคำพูดออกมาจากปากมันเป็นทัดไทยหัวใจมนุษย์ไทยมนุษยธรรมหดึกๆในหัวใจเราไอ้เรื่องสมภัทต์มาใช้ระชิดเอาเห็นเอาผู้นอ้ อย่าเอาถูกจากสิ่งตา่างนงะาสัมผัสลองดูสอมผัสกับฝืนกับทา ม, มากๆเข้าการสัมผัสมันสะอาดได้เหมือนมันดีกว่าเก่าเหมือนกับเราสัมผัสกับเครื่องประดับถูกแต่งอาบนะ้ำอาบท่า <c oughs> ก็งามขึ้นสอาดบริสุทธิ์ขึ้นไรมีสติไปเรื่อยๆมีความเพียรไปเรื่อยๆเหมือนกับการอาบน้ำการทําความสะอาดกายใจบริสุทธิ์หมดจดเจาะเครื่องสองมองทองกายทั้งใจมีความโกรธโลคหลงไปต้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญา อา ม, มาความสะอาดบริสุทธิ์ความหมดจดอยากคุยด้ยสัมผัสแล้วก็เกิดความมีลดพัฒนรในกายในใจเกิดขึ้นก็ต้อเรียน้ด้ยบอกด้วยสอนตัวเอง สนุกดีกมงงม็มีความสุขสงางามมีความสงางามกุมขังคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกหญิงของท่านลูกชายของท่านได้ทำเรื่องนี้ที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้ทำํำไปเปลี่ยนหลงเป็นลูกอยู่ไปเรื่อยไปเปลี่ยนทุกเป็นลูกเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดี อกุศลธรรมเป็นเป็นคู่แข่งกับสติกับกุศลทำได้ทุกเรื่องทุกราวอากุศลที่เกิดขึ้นถึงปากับใจเรออานี่แต่ก่อนเราไม่เคยทำบ่บนี้มาทำแล้วหมืนอ น, นโหมันเป็นงานชอบที่สุดเลยไอ้เปลี่ยนอกุศลที่ให้เป็นกุศล แล้วผมก็พึ่งพาเสียได้มีคุณมีค่าสรวกายใจขึ้นมามันก็มีประโยชน์อ่นี้เกิดมามีรูปเพื่อทามันนี้มีนามเพื่อรรมันนี้มันยังสมกับชื่อว่ามนุษย์ปันส์ประเสริฐมันประเสริฐพวกเรื่องนี้จริงๆ เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเราทำความดีต่าพืชต่อพืนความชั่วและะ้วต่อพืชต่อืนไปนี่คือมนุษย์ไปทางสูงๆนี่งานที่เราได้ทำงานชอบว่าจะมีสติปัญกายอยู่เป็ น, นประจำเกิดงานขึ้นมานที่มันไม่ชอบให้เป็นงานชอบขึ้นมา ทำเรื่องเดียวทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องเป็นพวงไปพร้อมเป็นข่าวเดียวกันก็จะเป็นสตไปเนกายนะทุกคนก็มีกายอยู่ที่ไหนก็กายอยู่นั่นสติ ก, ก็อยู่ที่นั่นตามได้ทุกเวลานาทีเป็นสิ่งสมปรารถนาไม่มีอะไร ที่สำเร็จในความปรารถนาของกรมาฐานกรรมาฐานที่ทำให้ความปรารถนาได้สำเร็จในกระทําลงไปเราไม่วาดสัาจริงในเขียนลงไปที่กายที่ใจเราเนี่ยวาดลงไปสารวาจดงดงาม เราได้เข้าถึงเนื้อถึงตัวความเท็ความจริงในขณะที่เราฝึกกรรมฐานนี่มันบอกผู้ที่มีสติผู้ที่สมผัลรู้เองทุกคนไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหขอร้องจากใครเป็นหน้าที่ ก็มีสติก็ตื่นเราร่นที่แก่ไม่ปล่อยทิ้งเด็ดขาดสิงที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับกายกับเจ้เลยเห็นกายที่ได้ก็เห็นสัจธรรกายคงเส้นคงวาสุขทุกข์ที่เกิดขกับกากับเจก็สัจธวรมคงเส้นคงวาเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเดึงหนีไปมันเคยใช้ชีวิตเราเคยพาเราไปมันเป็นใหญ่ บ่เทือนก็ได้รู้จักตัวก็มาคงเชิญคงว่าตามที่เป็นบุญเป็นบาปเกิดขึ้นรู้จักตัวคงเชิญคงว่าไปแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อก็ยหนถ้าชัดเกณฑ์แม่นยามทำให้แยบพายอาจจะไว้กว่าคนอื่นพอ๋อะ ทีใจได้ใส่ใจอะไรเกิดขึ้นมาหน่อยไดยชําไม่ชํนานาญวิชากรรมฐานก็ช่วยมีสติอยู่ที่กายช่วยลงไปมีสติลงไปหาว่าที่เห็นเกิดขึ้นพร้อมกันผิดถูกได้เห็นแล้วเปิดความง่วงขึ้นมาเห็นแล้วก็มง่วงมีกรรมฐานยกมือสร้างจังวหวะหัวใจเข้าหาัวจบยืดน้วยืดตัว แสดงท่าทางเป็นดักลบใช้อาวุธสติสมเชนญะหลงกลายไม่มีอะไรที่พ่ายแพ้เลยวิชากรรมฐานเป็นวิชาเปลี่ยนร่ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้ทุกกรณีที่มันเกิดถึงกลายกับใจเรานี่รู้สึกว่าเราได้ ปฏิบัติตามคำสอนคุยเจ้าได้อออกมาทำได้อออกมาทำความเท็ความจริงได้เห็นความเท็ความจริงได้เปลี่ยนความไม่ถูกให้เป็นความถูกมีเท่าไหร่เปลี่ยนได้อมุดทุกอย่างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจมีพลังกรรมฐานมีความเพี่ยนมีเครื่องทรงมีสติมี ความเพียรมีอะไรต่างๆช่วยปฏิปธานสี่สมบัติฐาน4อิทธิบาตสี่มาอะไรต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นสติทั้งนั้นมีแนวร่วมเยอะแยะแล้วก็เป็นองค์มรดกพาให้เราเห็น เมื่อมีการเห็นก็ก็ต้องเป็นทางไปเมื่อมีความเห็นดวงตาภ า, ายในเกิดขึ้นเห็นถี่เห็นถูกก็เป็นทางไปไม่ยอมเข้าลุกเข้าพงเดืดขาดวามหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องหวามหมกมุ่นคุนคิด ไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวนี้ถูกต้องที่สุดปล่อยทิ้งไม่เป็นเลยแบบนั้นรู้สึกมีความรับผิดชอบตัวกายตัวใจดูแลกายใจคุ้มแล้วบ่เนี่ไว้แต่เปรตแตปะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ก่อนเราไม่เห็นความสําคัญของดูแลกายใจยิ่งความพี่ก็ปล่อยไม่ชิดปะเฮแต่พื่อแต่เพือ พระพ เ, เจ้าว่าร่มเหลวโมคะบุรุษนะเช่นพระพ เ, เจ้าดา่านน <c oughs> พระนนท์เออเประอราหุนเวลาเราหุนเนี่ยเป็นเพื่อนกับสวัสดขอเล่าสักหน่อยจำมาจากพระสูตรสวรัสนี่สมัยฝึกเจ้าไป อยู่ที่พุทธคยาต้นฉีมหมาโพนั้นออกบวชภรษาที่หกต้องกลาลวันเ็กประสูติเจดวันนออกทรงพนวดหกปีไปอยู่ที่นั่นมีเด็กชายสวัสดเป็นเด็กเลี้ยงควายพ่อแม่ตายหมดมีแต่น้องเลี้ยงควายเพื่อรีดน้มเพื่อรักจ้างให้ ห, นหาหนมให้น้องกิน มาะฝ้ามาเลี้ยงผัว อ, อยู่แถวพุทธคยาก็มาเล่นกับพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นเออน่ารักปีธรรมดาก็น่ารักเมตตาน่ารักก็จะถึงลูกชายโอรสของพระองค์ราหนกก็รุ่นเราเขาเดียวกันนี่ก้าพันนี้คงจะขนาดนี้ เราเล่นกันไปพอ mm hmm. ไ, ได้คุยเล่นบางโอกาสเราดีก็รู้จักแตดสะรู้แล้วอยู่ในที่นั้นอีกหลายวันเออหนีาเสด็จไป ปลานาสีไปโปรดปัญญาวิธีเราอ้อสวัสดิก็หัวติดตามไปด้วยแต่ว่าสงสารน้องคุยเจ้ามาให้ปาน้องก็เป็นผู้หญิงให้ดูแลน้องจะก่อนอ้ายังไงก็จะกลับมาอีกญา้สวัสดิก่อน หลอกผู้เจ้าติดพู้เจ้าไม่เคยมีผู้หลอกผู้ใหญ่ไม่เคยมีไม่เคยมีพ่อพ่อแม่ได้ไปโอ้ผู้นเคยก็อยากคือตามไปก็เสียใจกันผู้เจ้าปอบราจะกลับมาจะกลับมาปอกลับมาเสด็จไปโปรดแสดงธรรมร้อยปีจะได้หัวนกลับไปพุทธคยาแถวเราจะคือเนี่ไปปวดพระเจ้าไปบุษานเนี่ สวัสดก็ก็โอกาสกนมาพบก็มีสัญญาขอสวัดก็ให้บวชก็เป็นเพื่อนกับลาหุนลาหุนคุยกับสวัสดคุยแบบพุ่งซ้านได้ไหม่ <c oughs> ารา์ น, นี่ถ้า ภาษาสตาไม่มีเป็นเพศนักบวชนนป่านี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วเราเดือฐานะโอรสจะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องน้อยแล้วเรานะุงซ่านคุยกับสวรรัสดสวัสดก็บเล่าพระเจ้าฟังพระเจ้าก็เรียกมาถามมาแสดงถาม มูข้าบุรุษเราหุ่นมาล้างเท่าให้โอ้พระเจ้าล้างเท่าแล้วบอกราหุน่นเท่าน้ำในกระลาทิ้งเท่เท่งกว ย, ยังนั้นยังเดลือน้ำอยู่ไหมไม่เหลือพระเจ้าข้าเอาคั้มลง เพิ่นลงไปอีกหงายขึ้นมาดูยังเหลือน้ามีอยู่ไหมไม่มีเลยพระเจ้าค่ะฉันใดก็ดีลาหุนอกคุณผู้คุ้นชิดในลมที่คุ้นชิดไม่มีสติหรือว่าสินขเขาเตอทะลุทะลวงแล้วปล่อยพ่อยด่างแล้วไม่มีเลยเหลือเลยไม่มีเลยเหลือเลย ศิลของเธอเธอรู้เะอวงแล้วพ้อยด่างไปหมดแล้ ว, วเธอสนากันใหญ่สอนหลาหุนสวัสดก็นั่งฟังได้ได้ได้ฟังธรรมได้อะไรต่างๆมากงายเหมือนกันเวลาพระเจ้ากนาบพระลาหุนหนึ่งสวัสดก็ฟัง ก็ได้บดเรียนเยอะแยะนี่ฉันใดก็ดีมันขนาดนั้นนะเพียงแต่หมกมุ่นคนคิดในวมที่คุณคิดไม่มีสติสลัดความคิดกับมารู้สึกตัว น, นี่มันก็บางก็หมเขาปลุเรามาเห็นความคิดเนี่ยโอ้โทุกไม่ใช่เรื่องน้อยนะวื้งเราไปเป็นเพาะเปนชาติหลายอย่างมันก็หมดจริงๆยนะ เพราะหนวกเวลามีสติมาผึกสตินี่มันได้เห็นตัวร้ายมันที่ตรงนี้ที่มันแสดงออกเลยจิตคือความคิดธบานของจิตคือมันคิดเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้จักหยุดได้มันรู้จักเกี่ยวข้องความคิดเลยคิดเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์คิดเป็นสุขก็เป็นสุกคิดโกรธก็โกรธคิดรักก็รักคิดเกลียดก็เกลียดคิดอะไรไปตอบความคิดพอมีสติมาเห็นเนอะ มันก็ถั น, นสู้ในตัวเนี้ยนะนะยันตรงนี้มากที่สุดเลยยันมากที่สุดหยาบที่สุดความคิดนี่แต่ก่อนเราไม่รู้วมันหยาบว่าหยาบรายที่สุดคือความคิดมีสติมันเข้มแข็งขึ้นมามันก็เทียบไหลใหม่ๆจะไปเอามันไม่ได้นะเราฝึกใหม่ๆไปคุมจิตเลยทีเดียวบังคับจิต มันก็อาจจะ พ, พลาดแพร่ลาแตจึงมาฝึกกรรมฐานดูการไปก่อนดูเวทนาไปก่อนเห็นจิตมันชิดก่อนรู้ชักตัวกรรมมาเช่ก่อนให้มันชานิชำนาญเสริมพลังให้ให้ชำนาญในความรู้ชักตัววันจึงจะไปรวบคุมมันได้ เวลาเรามีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ต้องไปคุมอะไรมันเลยยิ่งมันจะเป็นจริงประดับด้วยมันจะเป็นคู่ซกคู่ซ้อมของสติด้วยคู่แข่งของสติด้วยเราลู้จากตัวความหลงในความคิดมากที่สุดแต่มาเป็นคู่แข่งของสติปัญฐานมากที่สุด ส่วนตาหูจมกูกลิ้นกายมันก็มีบางโอกาสมีบางโอกาสที่มันได้เห็นได้สัมผัสแต่ความคิดมันไม่ได้มีโอกาสไปได้ทุกโอกาสนอนอยู่ก็คิดได้ทำอะไรก็คิดได้จึงเป็นคู่แข่งของสติอย่างดีที่สุดเลยตัวหลักตัวถามอยู่ที่นี่เพิกต้อใส มองไปเลงลงไปเป้าลงไปสติปัจเจเนเหมือนสติมันกำลังพลความคิดที่มันเกิดจากความหลงนี่เป็นข้าสึกมาตลอดกับปอบในทุกทีชนะทุกทีความหลงเความรู้ไปหมดได้เกี่ยน ที่มันเปลี่ยนทีพิงที่มันดีเกิดกับจิตในเป็นความรู้จักตัวมันตัวผูวใหญ่ก็จยกความจําว น, จนวนมากก่อปล่อยแพร่โดยไม่ได้ทําอะไรมันเหมือนกองทัพพระเจ้าตอกชินมหลาลาศลบกับพระมะตัดคอง มาเลยมหาอุปราช ท, ที่เป็นหัวหน้าเขาชึ่อว่าโลกประเทศไทยพอทำลายหัวหน้าไลยทหารฐานทาัท า, ท า, ทากอก็ยกเลิกก็บเรใช้ใต้ใช้ชัชชนนะั่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีสติมัน <c oughs> <c oughs> แก่ก็ ให้เปลี่ยนอะไรที่มันเกิดจากความคิดมังเป็นความรู้ตัวขึ้นมามันเป็นข้าสึกตัวใหญ่ที่ทํำลายหัวหน้ามันลงได้มันเป็นใหญ่มันเป็นหัวหน้าโนปพังก็มาทมาํมามโนเชตเตอรมลโมายาทำทั้งหลายทั้งใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทำดีก็สําเร็จสำขั่วก็สําเร็จยังมีสติเท่านั้นที่จะไปสอนตัวนี้ได้ ตัวเขม่เด่นสอนตัวมัเองไม่ได้มันรับใจทุกอย่างเหมือนชะลาหลังนี้จิตเหมือนชะลาหลังนี้ชะลาหอวใจนี้ร <c oughs> ับทุกอย่างอะไรมาก็ใช่ได้เลยไม่มีเจ้าของดูเลยสติเหมือนเจ้าของชลาหลังนี้เจ้าของกายเจ้าของใจเมื่อสติเป็นเจ้าของ สลกสดก็ศาดบริสุทธิ์หมดจุดกายใจก็สาดหมดจุดจ่กเครื่องสมองได้ฉนันเราอยู่ที่นี่นักบวชเบญจีพระสงฆ์หรือว่าเจ้าจมอยู่ที่นี่ศาดตรเพราะเป็นผงไมจันพูดบาวความชั่วทำความดีไม่ให้มีอะไรเหลือความไม่ดีสติปัญน า, ท, าที่ดูแลกายใจเน่ศาดหมดจุด เป็นสิ้นเป็นไรขึ้นมาว่าเกิดอันนี้สง์ขึ้นมาไม่เคยได้มีสติดูแลกายใจก็เกิดเมีอ น, นึกสงเป็นผลขึ้นมาเมื่อมีผลขึ้นมาสิ้นก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยทมก็ช่วยระเบิด ศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากมให้เป็นทุกข์ทำย่อมรักษาผู้พิทตอมอยู่เป็นนิดทำย่อมหลักษาผู้พิทตอมไม่ตกเป็นที่ชัว่วไปเลยก่าก็ เ, ออเกิดความสะดวกมันเป็นมันก็เสร็จมันสําเร็จมันเสร็ จ, รจลงไป งานกรรมาฐานทําผลงานที่ทําให้กายใจนี่สเร็จในความดีสําเร็จในความดีสูงสุดเป็นมรรคเป็นผลเราทํานาได้ข้าวจีนสร้างบ้านได้อยู่แต่ว่าบานทําเรื่องการเลี้ยงใจให้มั น, นสําเร็จนี่ยมันก็นกเป็นมรรคเป็ผลหนือกายเกิด เ, เจ็บตาย มีไหมมีความทุกไหมมีความโกรธไหมมีความโลภหรนะือมีความเป็นสุขปมทุกข์ผูกความคิดไหมไม่อยากคิดมันก็คิดยังมีไหมนั่นหลักงานของเราถ้าปล่อยทิ้งถ้าไม่แก่ตรงนี้จะมีโอกาสไปช่วยอบายได้ลุงดาสอนลูกสอนหลาน เสียละวันเนี่ชวนปฏิบัติธรรมมันแตยากชวนชาว่าคนอื่นชวนไปหาปลาจับปลาเอง ไ, ไปง่ายพวกนี้ไปอับายพวกเนี่ยชวนเขาวัดเขาวาปฏิบัติธรรมโ อ, ยยกกโอ้ยยากกันนั่นโอ้ยยากกันนี้พวกนี้ไปอับายแน่นอนเขาชวนไปจปับปลาไปอนคุ้งสอนชี่วไป จับเกียร์จับปุไปง่ายรีบถือเครื่องมือน่ะมันเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนในธนารณะนช่นารเมื่อไหรเวลาไหนจะมาทำงานเรื่องการเร่งใจมันจบพรามเสียษาแต่ยังเป็นทุกของความคิดเป็นความโกรธความอะไรต่างๆเพราะความคิดน่จะปล่อยทิ้งมันไปเอาบาย มากเท่ากับนขนโขไปสวนนี่พานเท่ากับเขาโขฉันนั่นสองเท่านั้นเองขนมันมากที่สุดเลยแล้วเกิดมาทำไมคนเราเนี่ยพอความคิดเฉยก็เป็นทุกข์ไปเฉลยต้นหาผูะความคิดเกิดความโกรธความโลภความหลงผูะความคิดอันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจึงไม่ เกี่ยวข้องกบจิงเราเนี่ยป่อยทิ้งทำไมมามีสติดูมันก็ไม่ยิ่งใหญ่แลยนะสติยิ่งใหญ่กว่าเด้เห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจนะมันเป็นเรื่องงานชอบที่สุดเปลี่ยนวยความรู้สักตัวขึ้นมานะสมดําหน้ามันขี่โคมันเหมือนเสือขี่เหมือนคนขี่เสืออยู่หน้าสวนธรรมนะสวนธรรม ลีเลยกะก่อนชิดตร ง, ง, งเมนชิตังไหนนะก่อมันกัดเรานอนอยู่ก็กัดนั่งอยู่ก็กัดไปกับมันรล้ใจมันซกๆกๆกซกไป น, นี่ขีของมังแล้วเราก็ต้องฝึกหัดเกิดมาให้มันมีค่าใช่อห เราจะเป็นอะไรเป็นคนอย่างไรเห็นหมดนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะหมดมองให้เห็นหมดจนเป็นคำตอบครั้งสุดท้ายว่าไม่เป็นอะไรกับมันเลยไม่เป็นอะไรที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรที่มันเกิดขึ้ น, นกับกายกับใจนี่ โขจบทอจบสอบสไม่เป็นอะไรกับมันจริงที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจนี่ก็เหมือนจบเราแค่นั้นความกลัก็แค่นั้นความทุกข์ก็เช่นั้นความหลงก็น้อกิเลสปัญหาตัณหาร้อแปดก็แค่นั้นมันไม่เป็นความบริสุทธิ์หมดโจทย์ จ, จากเครื่องสมองความรู้สึกตัวเนี่ยทําให้พูด ในหัวใจว่าไม่เป็นอะไรกับวันอะไรแต่ว่าจบจบอย่างนี้เหนื้อก้อนเกิดเจียิบตายไม่เหมือนจบทํานาได้ข้าหม้อจินยังเกิดยังเจยังเก็บ ย, ย, ยังตายนี่เรียกว่าศาสนาเคือมสอนพระเจ้า ได้คําตอบผู้เจ้าได้คําตอบเรื่องนี้เพราะกรรมฐานนี่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตั้งแต่ก่จนมาายุสิบหกพษาเป็นโจทย์ตัวใหญ่สําหรับพระองค์ถานน้อยสนเจ้าผ้าชายเห็นคนลงให้เสียใจเห็นคนเป็นทุกข์ก็เรื่องนี้กันจึงหาคําตอบ ถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายาพระเจ้าตาพระเจ้ายายก็ไม่ไม่ใครตอบจึงสะด็ตออกทรงพุนหวัวเราจึกสอหลายวิธีจนมาถึงวันเวียนเด่นหกได้นั่งอยู่ใต้ต้นโพกู้เขนเข้ารู้จึกตัวเหยี่แขนขออกรู้จึกตัวดูแขนเข้ารู้จึกตัวเหยี่แขนขออกรู้จึกตัว เวลาเราคิดถึงพิมพากลับมารู้จักตัวคิดถึงเราหุ่นกบมาได้เปลี่ยนความคิดแต่มันเกิดจากความไปมาเป็นความรู้จึกตัวการมันเกิดอะไรขึ้มารู้จักตัวไหมจริจริงๆติดตามใส่ใจจริงๆให้ชัดเกณฑ์แม่นยำแยบกาจริจริงเนี่ไม่นานไม่นานปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเหตุจริงในธรรมที่ควรลูกคนเห็นธรรมจงควรใจผู้ปฏิบัตินี่คือสัจธรรมวิทยาศาสตร์นะก็จบเท่านี้วันนี้นกอบพระพุทมเจ